เมื่อมีศีลดีอย่างนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายสันโดษด้วยบินธบาตเป็นเครื่องบริหารทองจะไปในทางที่สาภาคไปทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกมีบริหารถือเอาไปเองได้เปรียบเหมือนนกมีปีกจะบินไปทางที่สาภาคใดๆก็มีแต่ปีกตัวเองบินไปค่เรียกว่าประพฤสกุณาวัตรไปได้ทั่วทุกทิศเนี่ยนะ ก็เรียกว่าไปได้ในทั่วทุกทิศก็เรียกว่าสกุลวัดวัดที่เป็นเหมือนนกนกเคยมาโอ้ทิศนี้ทิศโน้นห้ามบินเป็นต้นมีไหมบอกบินไปได้ทุกทิศฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้สันโดดด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายสันโดดด้วยบินธบาตเป็นเครื่องบริหารท้องเธอจะไปทางที่สาภาักษใดก็ถือบริขารได้ไปด้วยตัวเองเนี่ยนะตอนนี้ก็เมารถไปแล้วเนี่ยนะภิกษุนั้นประกอบด้วยสีละขัน ศีลขันแปลว่ากองแห่งศีลเนี่ยนะอันเป็นอริยะเป็นอริยะศีลที่ไม่มีโทษผู้ที่มีศีลอย่างนี้ได้รับเสวยความสุขที่ไม่มีโทษในภายในก็แปลว่าไม่รู้สึกกินหนงแคลงใจตัวเองเลยนะคือคือเป็นคนที่มีความสุขมากเลยนะไม่มีโทษที่จะต้องมานั่งตำหนิตัวเองว่าตัวเองไปทำความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นไม่ใช่นเนี่ยก็เป็นผู้ที่เสวยความสุขระลึกถึงกรรมที่ไม่ มีโทษนี้ต่อไปอินทรีย์สังวรเพราะฉะนั้นหลังจากที่มีศีลดีต่อไปก็อินทรีย์สังวรว่าเห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถืออัดโดยอนุพยัญชนะนิมิตแห่งราคะโทสะโมหะเนี่ยนะเธอปฏิบัติเพื่อ Sang won. สังวรจักขุนรีสังวรสัมรวมตัวนั้นเป็นชื่อของสติสัมรวมตา เพราะอะไรถ้าไม่สํารวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอัลา ม, มกคืออภิชาและโทมนัสครอบงํารักษาจากขุนศีรักษาด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยนะถึงความสํารวมด้วยสติสัมปชัญญะในจากขุนศีแปลว่าลืมตามองเห็นก็เจริญสติสัมปชัญญะมีศาตต ะ, ะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะพร้อมทั้งอะสัมโมหะสัมปชัญญะ <c oughs> ได้ยินเสียงด้วยโสต ด, ดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐพะด้วยกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งราคะโทสะและโมหะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อสํารวมมนนิทรีนะด้วยสติสัมปชัญญะเพราะถ้าหากว่าไม่สํารวมเนี่ยนะไม่สํารวมเพราะถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะอภิชาและโทมานต์ก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสํารวม สัมรวมแล้วเนี่ยนะด้วยสติสัมปชัญญะสติเนี่ยกำจัดอภิชาอะ น, นะสัมปชัญญะกาจัดโทมนัตเพราะฉะนั้นมีสติสัมปชัญญะกําจัดอภิชาและโทมนัตเพราะไม่ปล่อยให้ตาดูรูปที่ก่อให้เกิดอภิชาและโทมนัตไม่ฟังเสียงด้วยหูไม่ดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นรับกระทบสัมผัสด้ดวยกายนึกคิดเรื่องราวทั้งหลายด้วยใจที่ ก่อให้เกิดอภิชาและโทมนัสตรงกันข้ามเจริญสติสัมปชัญญะในทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยิกษุประกอบด้วยอินทรีสังวรอันเป็นอริยะอริยะแปลว่าประเสริฐเนี่ยเป็นอินทรีสังวรที่ประเสริฐย่อมสเสวยสุขอันไม่รักคนด้วยกิเลสในภายในถ้าสีเนี่ยเป็นสุขที่ไม่มีโทษในภายในอินทรีสังวรนั้นเป็นสุขที่ไม่เจือด้วยกิเลสในภายในก็แปลว่า ล้างใจเนี่ยนะล้างใจจากบาปอากุศลธรรมทั้งหลายออกไปหลังจากนั้นก็เจริญสัมปชัญญะรู้สึกตัวตัวนั้นเป็นชื่อของสัมปชัญญะเจริญสัมปชัญญะสี่ในการก้าวไปและถอยกลับเจริญสัมปชัญญะสี่ในการแลและการเหลียวเจริญสัมปชัญญะสี่ในการคูเข้าและเหยียดออกเจริญสัมปชัญญะสี่ในการทรงสังคาติบาตแล ชีวรเจริญสัมสปชัญญะสี่ในการฉันเดิมเคี้ยวลิ้มเจริญสัมปชัญญะสีในการถ่ายอุจระปัสสาวะเจริญสัมปชัญญะสี่ในการเดินยืนนั่งและหลับตื่นพูดนิ่งเรียกว่าเจริญสัมปชัญญะสีในฐานะเจประการเนี่ยนะสีเจ็ท่าไหร่28แล้วเจริญสัมปชัญญะ28กลุ่มเนี่ยนะโหเยอะแยะเลยเนี่ยนะโอ้ได้บุญเยอะเลยนะถ้าทําได้ตามนี้จริงๆอ่ะนะ รวยด้วยเจริญด้วยบุญกุศลคลื่นแห่งบุญเจริญเหมือนกระแสน้ำายแหละสรุปว่าภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์ที่ไม่มีโทษคืออริยะเนี่ยนะศีลขันธ์ขันธ์ไม่แปลว่ากองกองแห่งศีลกองแห่งอินทรีสังวรสติสัมปชัญญะที่ไม่มีโทษอย่างนี้แล้วสถานที่ส ป, ปายะอยู่ที่ไหนเสพเสนสนะอันสงัด เช่นป่าโคลนไม้ภูเขาโศกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอม่างเธอกลับจากบินทบาทในการพายหลังพัดแล้วนั่งขัดสมาธิหรือนั่งคู่บลังตั้งกายตรงดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าละอภิชาละอภิชาคือเพ่งเล็งก็คือละอภิชาในโลกมีจิตปราศจากอภิชาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จาก อภิชาได้เนี่ยนะก็ละกามาฉันทะนิโรธนั่นเองละความประทุษร้ายคือพยาบาทไม่คิดพยาบาทมีใจกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลังปวงอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความประทุษร้ายคือพยาบาทละถีณมิท h a เป็นผู้ปราศจากถีณมิท h a มีความกําหนดหมายอยู่ที่แสงสว่างใส่ใจว่าสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จาก ทีนมิท h a ละอุทธักกุกุจักได้แล้วเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบณภายในอยู่ชําระจิตให้บริสุทธิ์จากกุทจักกุกุจักและวิจิกิจฉาได้แล้วเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาไม่มีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายชําระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาเนี่ยนะก็ละการมชัชย์ทพยาบาททีนามิ t h ะอุทจักกุกุจักเละ วิจิกิจฉาเจริญอะไรเจริญอัณฑภิชาเจริญความอภพยาบาทเจริญกรุณาหวังแต่ประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเจริญอาโลกสัญญาอนนะประชมระจิตให้เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านในภายในแล้วก็ไม่คลางแคลงใจในกุศลธรรมทั้งหลายไม่สงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายที่นำออกจากทุกข์ พิกูุนนั้นละนิวรห้าประการอันเป็นเครื่องเศร้ามองแห่งจิตอันเป็นเครื่องทำปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วส่วนรายละเอียดคำอธิบายเกี่ยวกับ น, นิวรหนัน้นสูตรข้างหน้าต่อไปนี้จะขยายอย่างพิสดารเนี่ยนะมหาอสสปุรสูตรจะขยายเยอะเนี่ยนะนิวรทั้งหประการนี่แหละที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองแล้วก็ทำปัญญาให้ ถอยกําลังลงเพราะอะไรเพราะถ้านิวรณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะทำปัญญาที่เคยเกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมไปทําปัญญาที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นไอ้พอที่พอจะเกิดขึ้นแล้วก็ลดน้อยถอยลงไปเมื่อละนิวรณ์5โดยการพิจารณาเป็นต้นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็สงัดจากการทั้งหลายสงั่งจากอากุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานมีวิตกมีวิจารณ์มีปีติและสุขเกิดจากวิเวกอยู่ ก็คือเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นสปายะเนี่ยนะกรรมฐานที่ทาเป็นเหตุให้ได้ปฐมฌานแล้วก็พอได้ปฐมฌานจากกรรมฐานเหล่านั้นแล้วก็เข้าถึงทุติยฌานเพราะมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกและวิจาร์สงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจาร ม, มีแต่ปีติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่ เสร็จแล้วก็เข้าถึงตติยะฌานเพราะดับปีติเข้าถึงเจตุตฌานเพราะละสุขทุกโสมนัสโทมนัสเข้าก่อนเนี่ยนะทีนี้ก็แปลว่าได้ฌานสี่แล้วใช่ไหมนี่เพราะได้ฌานสี่สำหรับผู้ที่เข้าใจวิธีการเจริญวิปัสสนาเข้าใจวิธีการเจริญสติปัฏฐานเสร็จแล้วเนี่ยนะเมื่อเห็นรูปด้วยจักสุกก็แปลว่าเจริญทั้งสมถะและ วิปั ส, สนาทั้งศีลสมถาวิปัสสนานี่ถือถือว่าเป็นผู้มีความมั่นคงดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นรูปด้วยจกักษุไม่กำหนัดในรูปที่รักไม่ขัดเคืองในรูปที่น่าชังเป็นผู้มีสติตั้งมั่นในภายในมีจิตหาประมาณไม่ได้เป็นมัคคจิตแล้ะเนี่ยแทนที่จะเป็นธรรมดาแล้วสา ม, มารถเจริญสมถาวิปัสสนาจนได้มัคคจิตทราบชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ คือพลแะสมาบัติทั้งหลายอันเป็นที่ดับหมดแห่งอกุศสลธรรมอัลลามกตามความเป็นจริง <c oughs> เธอละความยินดียินร้ายอย่างนี้แล้วสเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจในเวทนาเหล่านั้นเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจในเวทนานั้นอยู่ ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายก็ดับก็แปลว่าเจริญสมถะวิปัสนาเนี่ยนะในทวารตาจนกําจัดตัณหาได้จนไม่เพลิดเพลินในรูปทุกรูปพอดับความเพลิดเพลินได้ถ้าดับความเพลิดเพลินในอุปาทานก็ดับถ้าดับอุปาทานได้ภพก็ดับถ้าดับภพได้ชาติก็ดับถ้าดับชาติได้ชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตก็ดับ ความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แปลว่าเจริญศีลสมาธิเจริญศีลสมาถาวิปัสนาในทวารตาจนสามารถพัฒนาจากกามาวจรเป็นรูปาวจรอะรูปาวจรจนถึงโล ก, กุตระเนี่ยนะสามารถทำที่สุดแห่งทุกได้เนี่ย พิโสนั้นได้ยินเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธาภะด้วยกายรู้แจ้งธรรมอารมณ์ด้วยใจแล้วไม่กำหนัดในธรรมารมณ์ที่น่ารักไม่ขัดเคืองในธรรมารมณ์ที่น่าชังเป็นผู้มีสติในกายตั้งมั่นก็แปลว่าเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะก็ตอนต้นก็กล่าวไปแล้วถึงอะไรศีลสมถะทั้งหลายเนี่ยนะตรงนี้ก็เจริญสติปัฏฐาน จนสามารถมีจิตหาประมาณไม่ได้หมายถึงมัคคจิตทราบชัดเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์คือพละสมาบัติทั้งหลายอันเป็นที่ดับหมดแห่งอกุศลธรรมอันลามกตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเธอจึงละความยินดีละความยินร้ายละความยินดีด้วยอะไร อย่างน้อยที่สุดก็อรหัตมรักแหละละความยินร้ายด้วยอนาคาห ม, มีมรักเพราะะจ ะ, สะเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นสุขทุกข์หรืออุเบกขาก็ไม่เพลดิดเพลินไม่บนถึงไม่ติดใจในเวทนานั้นเลยภิกษุนั้นไม่เพลดิดเพลินไม่บนถึงไม่ติดใจในเวทนานั้นอยู่หรืออารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเหล่านั้นอยู่ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายก็ดับถ้าดับความเพลิดเพลินได้อุปาทานก็ดับถ้าดับอุปาทานได้ ภพก็ดับถ้าดับภพบได้ชาติก็ดับถ้าดับชาติได้ชรามรณะโสกะปริเทวทุกโธมนัดและโอปายาตก็ดับความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพี่สุทั้งหลายเธอจงทรงจําตันหาสังขยาวิมุตติโดยย่อของเรานี้แปลว่าทรงจําความสิ้นตันหาโดยย่อ ความหลุดพ้นเพราะสิ้นตันหาโดยย่อของเรานี้นี่แหละคือวิธีข้อปฏิบัติเพื่อทำให้สิ้นตันหาแสดงไว้แบบย่อๆพอเป็นแนวทางให้ฟังก็คือเริ่มตั้งแต่ไรเริ่มว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเราเนี่ยได้ฟังธรรมของพระองค์เนี่ยนะเห็นภายในวัตตะเจริญอธิ อ, อนะมาเจริญสีละขันอินรีสังวนมีสติสันโดษมีอินรีสังวนมีสัมปชัญญะสีในฐานะ เแล้วก็กําจัดนี่วอนทั้ง5้าเจริญฌานทั้ง4เจริญสมถะวิปัสนาในทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจจนดับความเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้ง6ได้เนี่ยนะถ้าดับความเพลิดเพลินได้อุปาทานก็ดับถ้าดับอุปาทานได้พบก็ดับถ้าดับพบดับได้ก็ดับชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาสรวบวดับวัตทุข์ดับกองทุก์ได้อย่างนี้สุดท้ายนะยังวกกลับมาหาเจ้าของต้นเรื่องเดิมอีก พวกเธอจงตำจงทรงจำสาติภิกษุผู้เกวัตบุตรบุตรชาวประมงว่าผู้สวมอยู่ในขายคือตันหาแปลวะ่าแปลว่าเป็นปลาที่ถูกตะข่ายเรียบร้อยแล้วถูกกองตันหาใหญ่ในสวมเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็แปลว่าอะไรโยังวกเขากลับเข้ามาอีกเลยนะแสดงว่าจำนวนภาษานี่ยบอกแหมไม่เอาให้ฟืนเลยลันนั่นลแว่าคือคือเท่ากับว่าพระองค์บอกว่าขาจัดออกจากธรรมวินัยนี้ คือผู้ที่จะถูกขจัดออกจากธรรมวิไนัยนี้เนี่ยด้วยเหตุผลสองประการหนึ่งศีลวิบัติสองทิฏฐิวิบัติถ้าหากว่าพระพิสุรูปนี้เนี่ยนะไม่เปลี่ยนความเห็นสงจะยกวัดแล้วก็ขจัดออกจากหมู่เลยเนี่ยนะ ก, ก็ใช้ระบบก็มีระบบธรรมวินัยขจัดคนที่มีศีลวิบัติและก็ทิฏฐิวิบัติออกจากพระศาสนาส่วนรายละเอียดในอัตตะทะ ก, ก็ส่วนใหญ่ก็อธิบายมาแล้วเนี่ยนะนะส่วน ข้อความในพระสูตรก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้นี่น ะ, ะท้ายที่สุดแห่งมหาตันหาสังคยยสูตรก็ขอตั้งความปรารถนาเนี่ยนะว่าขอบุญกุศลคุณงามความดีเหล่าใดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แสดงประกาศเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะขอให้เรามีส่วนในการเจริญข้อปฏิบัติเพื่อให้ได้ตรัสรู้ตาม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมใดเป็นที่พ้นทุกข์ขอขอให้พวกเราทั้งหลายได้ตรัสรู้ธรรมนั้นด้วยมิจฉาทิฐิเป็นต้นมิจฉามรรคทั้งหลายที่พระองค์แนะนำให้ขจัดออกไปขอให้เราได้กําจัด มิจฉามักทั้งหลายเหล่านั้นด้วยสัมมามักเหล่าใดที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ก็ขอให้เรามีส่วนได้ตรัสรู้รมทั้งปวงเหล่านั้นให้เจริญธรรมะเหล่านั้นให้บริบูรณ์เต็มเปี่ยมสมดังเจตนาปณิธานของพระพุทธเจ้าที่ตั้งความปรารถนาเพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้รับประโยชน์ได้รับความเกื้อกูลได้รับความสุขตลอดไปอนุโมทนาเนี่ยนะวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้